ก็ เ, เอาแต่กลุ่มกลุ้มคนเราเจอความทุกข์แล้วกลุ่มความทุกข์นี่มันพยายามฉุดเราลงสู่ที่ต่าแต่ถ้าเรามีสติและสามารถรู้จักมองความทุกข์ให้เป็นไม่ใช่ผู้เป็นแต่เป็นผู้เห็นถ้าเราเห็นความทุกข์จนกระจางแก่ใจว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์นะอุปทานในขันดังห้านี่มันทำให้ทุกข์นะ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 เห็นหญิงงามฟ้อนรำอยู่ข้างหน้าแต่ท่านก็ไม่ได้เพลิดเพลินกลับพิจารนาว่าเป็นของน่าเกลียดจนเกิดความเบื่อน่ายแล้วก็บรรลุธรรมเลยมีบางท่านที่บรรลุธรรมขณะกําลังผ่อนคลายอย่างพระอานุ์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานคณะสงฆ์จะทำสังยขยาาคณะสงฆ์ต้องการให้พระอนุ์มาร่วมสังายนาด้วยเนื่องจากเป็นผู้ทรงจา ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้ามากแต่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์การสังขยาณาครั้งนั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะร่วมได้ตอนนั้นมีพระอรหันต์ที่มีกําหนดจะร่วมสังขยาณา499รูปขาดอีกหนึ่งรูปโดยเหตุนี้พระนนทจึงอุตรดมความเพียรอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ร่วมสังขยาณาแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่บร ร, รถถลุอรหัตผล